เพ <Hello>, mm hmm. ท่านสาธุชนพุทธบริษัทอุบาสกอุบาสิกาู้กฝ่ธรท mm hmm. ไมไฝ่บุญฝ่กุศลทุ ก, ท, กท่านวันนี้เป็นวันจันทร์ที่30รกรกฎาคมพุทธศักราช2550เป็นวันเข้าพรรษา เป็นวันที่พระพุทธสูสงฆ์จะต้องอธิษฐานอยู่จำค ง, งสาในวัดใดวัดหนึ่งที่ใดที่หนึ่งตลอดเวลาสามเดือนไม่จะเรกไม่เดินทางไปข้างแรงที่อื่นยกเว้นถ้ามีเหตุฉุกเฉินเหตุจำเป็นก็ทรงอนุญาต ให้ไปค้างได้ไม่เกิน7คืน7วันเช่นวิดามาดาไม่สบายอุปชัยยะคูบาจา์ไม่สบายไปดูแลรักษาท่านได้ก็ไปได้เพียง7วันก็ต้องกลับมาที่เดิมแล้วถ้ายังจำเป็นจะต้องไปใหม่ก็กลับไปใหม่ได้อีกแต่ไม่ให้ไปตลอดไปให้ไม่เกินค่าละเจวันเจคืน หรือถ้ามีเหตุจาเป็นเช่นกุติวิหารเกิดชำรุดสุดทรงขึ้นมากระทานหันต้องไปหาวัสดุต่างๆมาซ่อมแซมก็สามารถไปได้เช่นเดียวกันหรือศรัทธาญาติโยมมีความปรารถนาที่จะทำบุญและนิมนต์ไปในบุตรงานบุญนั้นก็สามารถไปได้ หรือมีสหธรรมิกะคือเพื่อนพระภิกษุด้วยกันมีความกำหนัดคิดอยากจะลาศิกขาลาเพศก็สามารถไปยับยั้งได้ถ้าไปแล้วไปพูดไปคุยไปโน้มน้าวจิตใจให้เปลี่ยนใจได้ไปก็เป็นประโยชน์ <Yeah. S 1> นี่คือข้อ ข้อยกเว้นในกรณีที่จะต้องจาริกไปค้างแรงที่อื่นถ้าไม่มีความจำเป็นแล้วก็ต้องอยู่ค้างแรงที่วัดตลอดเวลาสาเดือนตั้งแต่วันแรมหนึ่งค่ำเดือน8ถึงวันแรมหนึ่งค่ำเดือน11เเพราะว่าในสมัยพุทธกาลนั้น ช่วงเทศกาลช่วงเข้าภรรษานี้จะเป็นรุ่นดูฝนเป็นรุ่นดูที่มีการปลูกพืชต่างๆปลูกข้าวทำไร่ไถนาแล้วถ้าพระภิกษุจะเล็กไปไหนมาไหนก็จะต้องเดินเหยียบไปในนาที่เขาได้หว่านมาเล็ดไว้แล้วก็จะไปทำลายพืชที่เขาได้ปลูกไว้ ชาวบ้านชาวนาชาวไร่จึงได้กราบทูลขออนุญาตให้พระพุทธเจ้าได้ทรงบัญญัติห้ามไม่ให้พระภิกษุจาริกไปที่ต่างๆตลอดเวลาสาเดือนเนื่องจากว่าพระภิกษุสมัยก่อนนั้นท่านบวชเพื่อปฏิบัติธรรมบวชเพื่อนับผลนิพพานท่านจึงมีการจาริกไป มาระวางไปหาครูบาอาจารย์เพื่อรับการอบรมสั่งสอนและไปทุดงตามป่าตามเขาท่านจะไม่ได้อยู่ตามที่ประจำเหมือนอย่างที่เป็นอยู่ในสมัยนี้ภารกิจของท่านนั้นมีอยู่เพียงสองอย่างคือศึกษาและปฏิบัติเรียกว่ากันัะทุระและวิปัสสนาทุระ งานของพระในสมัยก่อนจะเป็นอย่างนี้สมัยก่อนพระจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับเรื่องการเลี่ยายขอเงินขอทองศรัท ธ, ธาญาติโยมมาสร้างกุฏิมาสร้างโบสถ์มาสร้างเจดีย์หรือมาสร้างอะไรต่างๆเพราะไม่ใช่หน้าที่ของพระถ้าศรัท ธ, ธาญาติโยมมีจิตศรัท ธ, ธาเขาก็จะสร้างให้เอง เช่นมีเศรษฐีมีกษัตริย์สร้างวัดถวายให้กับพระพุทธเจ้าไว้เป็นจำนวนมากแต่พระพุทธเจ้าเองนั้นไม่ได้เคยเสียเวลากับการมาสร้างวัดเลยเพราะเป้าหมายหลักของพระพุทธเจ้านั้นต้องการสร้างพระสร้างคนให้เป็นพระเท่านั้นพระองค์จึงทุ่มเทเวลาไปกับการสั่งสอน แล้วเมื่อผู้ที่ได้ยินได้ฟังแล้วก็ต้องนําเอาไปปฏิบัติก็ต้องไปแสวงหาที่สงบสงับวิเวกตามป่าตามเขาเพราะถ้าปฏิบัติอยู่ตามบ้านนั้นจะไม่ค่อยจะได้ผลเท่าไหร่เหมือนกับการหว่านเมล็ดข้าวไว้ในดินถ้าเป็นดินดีเมล็ดข้าวก็จะเจริญโตๆออกดอกออกผลถ้าเป็น เป็นดินไม่ดีเช่นเป็นดินทรายเป็นหินอย่างนี้เป็นต้นมเมล็ดข้าวก็จะไม่จเจริญเติบโตไม่ออกดอกออกผลขึ้นมาฉันใดมเมล็ดแห่งการตัดสู่แห่งมรรคผลผนิพพานก็เป็นอย่างนั้นที่ที่จะทําให้มรรคผลผนิพพานเจริญ ง, งออมออกมาต้องเป็นที่สงบสงัดวิเวก ห่างไกลจากการมาคุณทั้งหลายเช่นรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐะที่จะเป็นเครื่องล่อเครื่องดึงจิตใจให้ติดอยู่กับการเวียนว่ายตายเกิดผู้ปฏิบัติที่มุ่งต่อมรรคผลนิพพานมุ่งต่อการสิ้นสุดแห่งการเวียนว่ายตายเกิดมุ่งต่อการพน้พนทุกข์ ก็จาเป็นที่จะต้องออกจากบ้านออกจากเรือนไปสู่ป่าสู่เขาเพื่อบังเพนส ม, มถะภาวนาและวิปัสสนาภาวนาส ม, มถะภาวนาก็คือการทำจิตใจให้สงบด้วยอุบายแห่งกรรมฐานเช่นพุทโธพุทโธเป็นต้นถ้าเรากำหนดจิตให้รำเรอกอยู่แต่คำว่าพุทโธพุทโธ โดยไม่ไปคิดอะไรจิตก็จะไม่สามารถไปสร้างความทุกข์สร้างความวุ่นวายใจให้กับตนได้แล้วไม่ช้าก็เร็วจิตก็จะสงบตัวลงเมื่อสงบลงก็จะมีความสุขมีความอิ่มมีกำลังที่จะเจริญธรรมะขั้นต่อไปก็คือวิปัสสนาวิปัสสนาก็คือการ ทำให้เกิดความรู้แจ้งเห็นจริงขึ้นมาในสภาวะธรรมทั้งหลายที่มีลักษณะอยู่สามประการด้วยกันคือหนึ่งเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงสองเป็นทุกข์สไม่มีตัวตนนี่คือสิ่งที่คือลักษณะลึกคุณสมบัติของทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ในโลกนี้ไม่ว่าจะเป็นวัตถุข้าวของเงินทองก็ดี หรือเป็นร่างกายของมนุษย์มรือของสัตว์เดรัจฉานกด็ดีย่อมตกอยู่ในลักษณะนี้ด้วยการทั้งสิ้นเช่นคำว่าไม่เที่ยงก็หมายถึงว่ามีการเกิดขึ้นแล้วก็ต้องมีการดับไปเป็นธรรมดาถ้าผู้ใดเห็นความจริงนี้แล้วก็จะไม่ยึดไม่ติดก็จะไม่ทุกข์กับการเสื่อมกับการแตกดับ ของสิ่งต่างๆแต่ถ้ายังไม่เห็นด้วยปัญญาก็จะหลงติดจะมีตัณหาความอยากที่จะให้สิ่งต่างๆที่ตนมีอยู่นี้ให้อยู่กับตนไปนานๆและถ้าเป็นสิ่งที่ดีก็ไม่อยากจะให้เปลี่ยนแปลงไปอย่างนี้มันเป็นความฝืนความธรรมชาติเพราะธรรมชาติไม่ได้เป็นอย่างนี้ ธรรมชาตินั้นมีการเปลี่ยนไปสลับกันไปเดี๋ยวดีแล้วเดี๋ยวก็ไม่ดีเดี๋ยวเดี๋ยวก็มีการแตกดับสูญหายไปด้วยเหตุนี้พระพุทธเจ้าจึงทรงสอนให้เราเห็นความทุกข์ในสิ่งเหล่านี้เวลาเราได้อะไรมาใหม่ๆเราจะมีความสุขมีความดีใจแต่พอเราได้มาแล้ว เราก็ต้องมีความกังวลใจมีความห่วงมีความเสียดายมีความหวงเป็นต้นเมื่อ <c oughs> มีความรู้สึกเหล่านี้อยู่ในใจ <c oughs> ก็ต้องมีความทุกข์ใจเกิดขึ้นมาจ <c oughs> ึงส่งสอนให้เราเห็นถึงความทุกข์ที่จะตามมากับสิ่งต่างๆที่เราอยากจะได้มา <c oughs> ถ้าเราเห็นความทุกข์แล้วเราจะได้เปลี่ยนใจได้ ไม่รู้จะเอามาทำไมขณะนี้เราอยู่ของเราคนเดียวเราก็มีความสุขพอสมควรแต่เราไม่มีความทุกข์กับสิ่งต่างๆพอเราได้อะไรมาแล้วได้คนนั้นคนนี้มาเป็นคู่ครองเราก็จะต้องมาทุกมากังวลมาห่วงมาหวงและมาร้อง่มร้องไห้เมื่อต้องทะเลาะกัน หรือต้องพัดภาคจากกันนี่คือคุณสมบัติของสิ่งต่างๆของบุคคลต่างๆจึงทรงสอนให้เราพิจารณาให้เห็นว่าเป็นความทุกข์เพราะเมื่อเราเห็นว่าเป็นความทุกข์แล้วเราจะได้ไม่หลงยึดติดคือเราจะไม่ได้ไปอยากให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เขาจะเป็นอย่างไรเราก็รับได้ เหมือนกับคนที่เราไม่รู้จักคนที่ไม่รู้จักเขาจะเป็นอย่างไรเราไม่ได้เดือดร้อนกับเขาเลยเขาจะดีเขาจะชั่วเราก็ไม่ได้เดือดร้อนเขาจะเป็นเขาจะตายเราก็ไม่เดือดร้อนฉันใดคนที่อยู่ใกล้ตัวเราใกล้ชิดกับเราก็ควรเป็นอย่างนั้นเราอย่าไปมีอารมณ์อย่าไปยึดติดกับการเป็นของเขา เขาดีก็เรื่องของเขาเขาไม่ดีก็เรื่องของเขาเขาเป็นเขาตายก็เรื่องของเขาถ้าเราทำใจอย่างนี้ได้เราจะอยู่ในโลกนี้ด้วยความสุขเราจะไม่ทุกข์กับอะไรเราพร้อมที่จะจากทุกสิ่งทุกอย่างไปขณะที่มีก็ใช้ไปตามความจำเป็นแต่ไม่หวังหาความสุขจากสิ่งต่างๆเหล่านี้เพราะความสุขนี้ จากสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นความสุขที่ไม่จีรังถาวรและไม่ดีเท่ากับความสุขที่พระพุทธเจ้าและพระอาหารหันต์ทั้งหลายได้พบได้ค้นพบแล้นำเอามาเผยแผ่สั่งสอนให้กับพวกเราความสุขนี้ก็คือความสุขที่เกิดขึ้นจากการดับความทุกข์นั่นเองนี่คือความสุขที่เลิศที่สุด ถ้าไม่มีความทุกข์แล้วเราก็ไม่ต้องไปเรื่นงรนหาอะไรมาให้ความสุขกับเราเพราะใจของเราจะมีแต่ความสุขเนเหมือนกับความมืดกับความสว่างจะอยู่พร้อมกันไม่ได้ถ้ามีความมืดก็จะไม่มีความสว่างถ้ามีความสว่างก็จะไม่มีความมืดในใจของเราก็เป็นอย่างนั้นถ้ามีความทุกข์ก็จะไม่มีความสุข ถ้ามีความสุขก็จะไม่มีความทุกขนะ์เนี่ยดังนั้นเราต้องหาความสุขที่ไม่มีความทุกข์ด้วยการระงับดับความอยากความต้องการต่างๆนั่นเองเพราะถ้าเรายังไม่สามารถดับความอยากความต้องการได้เราก็จะต้องไปหาความทุกข์มาใส่ใจเราไปหาคนนั้นมาทุกข์กับเราไปหาสิ่งนั้นสิ่งนี้มาให้ ความทุ่ขกับเราแต่ถ้าเราได้ศึกษาและได้ปฏิบัติตามพระพุทธเจ้าเช่นในเบื้องต้นพยายามทําจิตใจให้สงบให้ได้เพราะเมื่อเรามีความสงบแล้วใจเราจะไม่หิวไม่กระหายเวลาอยากอะไรเราก็พอที่จะระงับยับยั้งความอยากได้แต่ถ้าเราไม่มีความสงบแล้วเราจะไม่มีกําลังพอที่จะ หยุดยั้งความอยากต่างๆได้พอเห็นอะไรอยากได้ก็ต้องไปหามาหามาด้วยความยากลำบากเพียงไรก็ต้องหามาเพราะทนอยู่กับความอยากไม่ได้นั่นเองแต่ถ้าเราฝึกจิตทำจิตใจให้สงบด้วยการไหว้พระสวดมนต์ก็ดีด้วยการา ร, ะ, ารละลึกถึงพุโทโธพุธโทโธก็ดี หรือด้วยการกําหนดดูลงหายใจเข้าออกก็ดีถ้าเราฝึกทําไปเรื่อยๆแล้วต่อไปใจของเราจะสงบจะมีความสุขจะมีความอิ่มไม่จําเป็นที่จะต้องไปหาอะไรมาให้ความสุขเพิ่มเพราะความสุขต่างๆที่ไปหามานั้นไม่มีความหนักแน่นเท่ากับความสุขที่ได้จากความสงบของใจ เปรียบเหมือนกับก้อนหินกับปุยนุ่นนะปุยนุ่นนี่มันเบาแต่ก้อนหินนี่มันหนักฉันใดความสุขทางด้านจิตใจที่เกิดจากความสงบก็จะเป็นความสุขที่หนักแน่นและจะสามารถต่อต้านอารมณ์ต่างๆได้เวลาเกิดอารมณ์โกรธขึ้นมาก็ไม่โกรธตามเวลาเกิดอารมณ์โลภขึ้นมาก็ไม่โลภตามเวลาเกิดอารมณ์ หลงขึ้นมาก็ไม่หลงตามไม่เหมือนกับใจที่ไม่มีความสงบจะเป็นเหมือนปุยนุ่นเวลาอะไรมากระทบเล็กๆน้อยๆก็เกิดอารมณ์ขึ้นมาแล้วเห็นอะไรไม่ถูก อ, อกถูกใจหน่อยก็เสียใจก็เกิดความโกรธเห็นอะไรพออยากได้ขึ้นมาก็ทนไม่ได้จะต้องออกไปหาหมาให้ได้ก็เลยกลายเป็น ธาตุของความอยากธาตุของความโกรธไปธาตุของอารมณ์เวลามีอารมณ์แล้วนั่งอยู่เฉยๆไม่ได้นั่งไม่เป็นสุขนแต่ถ้าเราได้ฝึกทำจิตใจให้สงบแล้วจิตใจของเราจะหนักแน่นเหมือนกับหินไม่ว่าอะไรจะมากระทบเราจะมีความหนักแน่นพอที่จะรับกับ อารมณ์ต่างๆได้ถึงแม้ยังไม่สามารถดับอารมณ์ได้หรือป้องกันไม่ให้อารมณ์นั้นเกิดขึ้นมาได้แต่อย่างน้อยก็จะไม่ถูกอารมณ์นั้นฉุดลากให้ไปทำในสิ่งที่เสียหายเช่นเราคงจะเห็นข่าวๆที่คนต้องไปทำผิดศีลไม่ว่าจะเป็นการลักทรัพย์เป็นการฆ่าผู้อื่นหรือฆ่าตนเอง ก็เกิดจากการที่ไม่มีความหนักแน่นทางจิตใจไม่มีภูมิคุ้มกันพอมีอารมณ์อะไรมากระทบ ก, ก็ไหลไปตามอารมณ์นั้นถ้าคิดอยากจะฆ่าผู้อื่นก็ต้องไปฆ่าผู้อื่นถ้าคิดอยากจะฆ่าตนเองก็จะต้องฆ่าตนเองเพราะจิตใจไม่หนักแน่นที่จะต้านความอารมณ์ต่างๆที่ปรากฏขึ้นมาในใจได้ น, นั่นเอง แต่ถ้าเราฝึกไหว้พระสวดมนต์อยู่เรื่อยๆไม่ต้องทําในขณะที่อยู่ในห้องพระหรืออยู่ในวัดเราสามารถทําได้ทุกสถานที่ทุกเวลาเพียงแต่ขอให้เราทําในใจเราเท่านั้นเองเราจะสวดมนต์ไปในใจของเราในขณะขับรถก็ได้ในขณะทําอะไรอยู่ก็ได้เป็นการฝึกใจไม่ให้ลอยไปตามอารมณ์ต่างๆไม่ให้ลอยไปตามความคิดต่างๆ เมื่อเราฝึกไปเรื่อยๆแล้วต่อไปของเราใจของเราก็จะเป็นเหมือนกับเรือที่ที่ได้ทอดสมอไว้เรือที่ทอดสมอไว้แล้วจะไม่ไหลไปตามกระแสะน้ําฉันใดใจที่มีมีสมาธิมีความสงบมีความตั้งมั่นก็จะไม่ไหลไปตามกระแสะของอารมณ์ต่างๆเมื่อเป็นอย่างนั้นแล้ว ชีวิตของเราก็จะดำเนินไปในทํานองครองธรรมแะ้วก็จะมีแต่ความร่มเย็นเป็นสุขมีแต่ความเจริญก้าวหน้านี่คืออนิสง์ของการฝึกจิตทำจิตใจของเราให้สงบที่เรียกว่าสมสถะถ้าเราต้องการที่จะกำจัดอารมณ์ต่างๆให้หมดไปเลยเช่นความโลภความโกรธความหลงเราก็ต้องเจริญธรรมะอีกขั้นหนึ่งเรียกว่าวิปัสสนา ให้พิจรารณาให้เห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงแท้แน่นอนเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราถ้าเราเห็นอย่างนี้แล้วเราก็จะไม่มีตัณหาความอยากเมื่อไม่มีตัณหาความอยากจิตก็จะไม่ไม่แกว่งไปแกว่งมาตามอารมณ์ต่างๆเวลาอะไรเกิดเวลาเห็นอะไรก็จะรู้สึกเฉยเฉย เวลาสัมผัสอะไรก็จะรู้สึกเฉยเฉยไม่ว่าจะดีหรือชั่วเช่นคนสรรเสริญโยนยอก็ไม่ได้ดี อ, อกดีใจคนดุดาว่ากล่าวตำหนิติเตียนก็ไม่รู้สึกเสียใจคนให้ข้าวของเงินทองมาก็ไม่ได้ดี อ, อกดีใจเวลาถูกลักขโมยไปก็ไม่เสีย อ, อกเสียใจเพราะใจไม่ได้อาศัยสิ่งเหล่านี้ให้ความสุขแล้ว เพราะเห็นว่ามันเป็นความทุกข์มากกว่าสู้เอาความสุขที่เกิดจากความสงบของใจดีกว่าถ้าเราพิจารณาได้อย่างนี้อย่างต่อเนื่องตลอดเวลาแล้วต่อไปใจของเราจะไม่วุ่นวายไม่อยากได้อะไรทั้งสิ้นและจะไม่มีอารมณ์กับอะไรเลยต่อไปก็จะอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขไปตลอด นี่คือใจของพระพุทธเจ้าและใจของพระอาหารหันต์ทั้งหลายใจของท่านเป็นอย่างนี้เพราะท่านบำเพ็ญปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าในสมัยพุทธกาลจึงปรากฏมีพระอาหารหันต์เป็นจํำนวนมากเพราะท่านไม่ได้มุ่งไปที่การก่อสร้างวัตถุเหมือนในสมัยนี้ในสมัยนี้ เราจะมุ่งไปที่การก่อสร้างวัตถุต่างๆกันสร้างโบสสร้างเจดีย์สร้างเหรียญสร้างอะไรต่างๆซึ่งไม่ใช่เป็นวิธีที่จะทําให้จิตของเราหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายได้ไม่ใช่วิธีที่จะนํามาซึ่งความล่มเย็นเป็นสุขความเจริญก้าวหน้าดังนั้นจึงขอให้เราเราเรึกถึงเหตุการณ์ ในสมัยพุทธกาลว่าพระพุทธเจ้าและพระสงฆ์สาวกทั้งหลายนั้นท่านบำเพ็ญอย่างไรท่านสั่งสอนให้เราประพฤติปฏิบัติอย่างไรขอให้เรายึดเอาไว้ตรงนั้นอย่าไปหลงกับสิ่งต่างๆในโลกนี้ไม่ว่าจะเป็นวัตถุข้าวของเงินทองหรือบุคคลต่างๆสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่เป็นสระนาไม่ใช่เป็นที่พึ่ง เวลาที่เราเกิดความทุกข์ใจสิ่งเหล่านี้ช่วยอะไรเราไม่ได้มีสิ่งเดียวที่จะช่วยเราได้ก็คือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ที่เกิดจากการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบของพวกเรานี้เองดังนั้นเนื้อในโอกาสวันเข้าพรรษานี้จึงขอให้ท่านจงตั้งจิตตั้งใจว่าจะประพฤติปฏิบัติตาม ที่พระพุทธเจ้าได้ทรงสั่งสอนสิ่งใดที่เราพอจะทำได้ก็ทำถ้าตักบาทได้ทั้งภรงษาก็ตักไปถ้ารักษาศีลได้ทั้งบรรษาก็รักษาไปถ้าละถ้าละอบายามุขต่างๆได้ก็ขอให้ละไปถ้าบาเพ็ญภาวนาทาจิตใจให้สงบด้วยการสวดมนต์หรือด้วยการะระลึกถึงพระพุทธโอไปเรื่อยๆในใจ หรือกำหนดดูลมหายใจเข้าออกก็ขอให้ทำไปแล้วถ้าพิจารณาถึงความเป็นเป็นสิ่งไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่มีตัวตนของสภาวธรรมทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นวัตถุเข้าของหรือบุคคลต่างๆถ้าพิจารณาอย่างนี้ได้เรื่อยๆแล้วใจของเราจะปล่อยวางเมื่อปล่อยวางแล้วเราจะมีความสุขเราจะไม่ทุกข์กับอะไรเลย จึงขอฝากเรื่องราวที่ได้แสดงในวันนี้ให้ท่านได้นำไปพิพจรารณาและปฏิบัติเพื่อประโยชน์สุดที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลาจึงขอริติไว้เพียงเท่านี้ขออุสมผลบุญที่ท่านได้นากระทำกันในวันนี้จงเป็นเหตุเป็นปัจจัย ให้ท่านมีแต่ความสุขและความเจริญทั้งในทางโลกและในทางทางโดยทั่วหน้าการเธอ